Thank mm -hmm. you. ส่วนมน์ทุกเชา้าทุกเย็นอย่าให้เป็นแค่พิธีกรรมแต่ว่าให้เราใช้โอกาสนี้เนี่ยพิจารณาธรรมะที่เราสาธยายถ้าเราไม่ปล่อยใจลอยนะมีสติพิจารณาข้อความแต่ละข้อความแต่ละประโยคแต่ละประโยค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 ไม่ใช่เฉพาะความจริงที่เกี่ยวกับทุกข์เท่านั้นนะแด้รวมถึงความจริงที่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์การออกจากทุกข์ขันี้การที่จอกจากทุกข์ได้เนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งยอดปรารถนาของเราทุกคนเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกข์ให้ดีซะก่อนแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตาม แต่ก็ต้องทำความเข้าใจมันก็เหมือกการทำศึกสงครามนะเราทำสงครามกับปรปักหรืออริเราไม่ชอบแต่เราก็จำเป็นต้องเข้าใจเข้าใจเขารู้จักเขาให้ดีแบะทรุปลุปโปรงจึงจะเอาชนะเขาได้อย่างที่ซุนวูว่าเนี่ยนะ ดูเรารู้เขานะร้อยศึกก็บอกพายต้องรู้ตัวเราด้วยแล้วก็ต้องรู้จักเขาด้วยจะรู้แต่เราไม่รู้จักเขาเพราะว่าเราไม่ชอบเขาทันหลังเบือนหน้าห น, นีอันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนฉลาดหรือผู้มีปัญญาแม้ไม่ชอบก็ต้องรู้จักเขาให้ดีนะจึงจะเอาชนะเขาได้เอาความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะ ต่างก็ต้องที่ว่าความทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะนะสิ่งสําคัญคือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ชัดนะอย่างที่พระเ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้นี่ท่านใช้คําว่าปริญญาไม่ได้แปลว่าจ้องหรือเพ่งแต่ว่าหมายถึงการที่เรารู้ชัดนะแล้วก็พิจารณาไปด้วยอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราก็พิจารณาว่าเนี่ย แม่ความเกิดก็เป็นทุกข์แม่ความแก่ก็เป็นทุกข์แม่ความตาก็เป็นทุกข์อันนี้ก็ดูธรรมดาสา ม, มัญ น, นะเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วต้องเจ็บต้องตายมันก็เป็นความทุกข์หรือมันสะท้อนความทุกขนะ์อย่างหนึ่งมันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าคนไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วก็มีความโศกมีความร่ำไรรำพันนะความไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้ก็เป็นวิสัยปุถุชน แต่เดียวกันมันก็สะท้อนถึงความทุกข์ด้วยหรือสะท้อนตัวทุกข์สะท้อนว่ามันเป็นสังขารมันเป็นเรื่องของความพร่องนะเป็นเป็นสิ่งที่พร่องไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเสื่อมนะต้องสลายไปอันนี้เรียกว่าทุกข์นะไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาที่เป็นความโศกความล่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายใจความคับแค้นใจ นะอันนี้มันเป็นเรื่องทุกขเวทนานะแต่ว่าทุกขหรือว่าตัวทุกเนี่ยนะที่เรียกว่าทุกขังเนี่ยมันยังหมายความว่าความพร่องความไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยทนได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเสื่อมไปเพราะอารหันต์นี่ท่านไม่มีความโศกความลำลายลําพันธนะ์ความไม่สบายใจความเข้าแค้นใจเมื่อต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายแต่ว่าท่านก็หนี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 รวนทั้งความสุขก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าสุขมันก็ต้องเสื่อมไปนะองนี้ที่น่าสนใจอันนี้คือนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะพัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น น, นก็เป็นทุกขนะ์สามข้อนี่สําคัญมากเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ย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 ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ก็ทุกข์ความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันหนีไม่พ้นสามประการเนี่ยหนีไม่พ้นสามประการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะอกหักตกงานเงินหายโทรศัพท์ถูกขโมยงานล้มเหลวธุรกิจล้มละลาย คนรักทิ้งลูกตายสอบตกถูกด่าว่าถูกตำหนิดตดเตียนว่ามาเถอนะไอ้ที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอเจอมาแล้วกำลังเจออยู่และจะเจอต่อไปก็นี้ไม่พ้นสามประการนี้แหละคือโลละแตเป็นเพราะหรือเกิด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 แต่เราปรารถนาแค่สองเนี่ยโอ้มีความสุขละนะอันนี้มันหมายความว่าไงหมายความว่าให้ความทุกข์มันอยู่ที่ใจเรามากทีเดียวนะอะไรที่เราไม่ชอบนะถ้าเจอเมื่อไหร่นะเราทุกข์ทันทีอะไรที่เราชอบถ้าเกิดเสียเมื่อไหร่เราทุกข์ทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่าจากสิ่งที่ไม่ชอบนะเราเปลี่ยนเป็นเฉย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 เวลามีความไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นโทสะเล็กๆเป็นความโกรธเล็กๆนแล้วความโกรธพอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ลมหายใจเต้นนะเต้นเร็วนะลมหายใจเต้นนานๆบ่อยๆมันก็เครียดสิร่างกายก็จะจะลา้านะนี่เป็นเพราะใจเรานะวางใจไม่ถูกเราไปรู้สึกลบกันตนะ่อความฟุ้งซ่านเราลองปรับใจเป็นกลางเฉยๆกับมัน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 เจอรถติดเราก็เฉยเฉยเจอไฟแดงเราก็เฉยเฉยนะไม่ได้ทุกข์อะไรนะเพราะว่ามันไม่มีความอยากที่จะแพ้ถึงไัยวัรถติดไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบมันเราทุกข์เพราะเราอยากจะถึงวัยวัมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแหละนะปรับใจเราซะนะถ้าเราปรับใจได้เนี่ยนะรถติดนะจิตเราก็ไม่ตกนะเราก็สบายนะ